ถามว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดนะหรือจําเป็นที่สุดสําหรับชีวิตหลายคนเอ่ยนึกถึงปัจจัย4ี่เพราะว่ามีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีเสนานะช่วยทําให้ชีวิตอยู่ได้โดยดีแต่ที่จริงมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะถ้าจะเลือกมาสิ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะสำหรับชีวิตเนี่ยสิ่งนั้นคืออากาศ ชีวิตอยู่ได้ในพาอากาศนะแม้จะเป็นชีวิตน้อยใหญ่โดยเพราะชีวิตของมนุษย์ของคนเราขาดปัจจัยสีก็ยังอยู่ได้ได้เป็นเดือนนะคนที่ขาดอาหารหรืออดอาหารนี่ก็อยู่ได้หลายเดือนแต่ถ้าขาดน้ํานี่ก็อาจจะอยู่ได้แค่ไม่กี่วันแต่ถ้าขาดอากาศนี่ก็อยู่ได้ไม่กี่นาทีที่ชีวิตเนี่ย เป้นสุดหรือว่าตายนี่ก็เพราะขาดอากาศนะอาจจะเป็นเพราะว่าปอดไม่ทำงานหรือเป็นเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นก็ทำให้ไม่สามารถส่งสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเอารักต่างๆในร่างกายและที่เราสำคัญก็เพราะว่ามันเป็นตัวพาอากาศเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายของคนเราจริงๆถ้าไม่มีอากาศหัวใจก็ ตายได้นะเช่นเดียวกันถ้าไม่มีอากาศสมองก็หยุดทำงานแล้ที่เลือดไหลามากๆแล้วต้องเราก็เลยตายเนะเพราะว่ามันไม่มีอากาศไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะว่าเลือดจะมาเป็นตัวนาพาออกซิเจนะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆนั่นจะเรียกว่าเนี่ยอากาศเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะสำหรับชีวิต แต่ว่ามีชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตนั้นจะมีคุณภาพหรือไม่มันต้องอาศัยสิ่งหนึ่งนะสิ่งนั้นก็คือความรู้สึกตัวมีอากาศหายใจยังมีชีวิตอยู่ได้นะแต่ถ้าขาดความรู้สึกตัวนี่มันก็เป็นชีวิตที่ ไรคุณภาพหรือว่าไม่เคยมีคุณภาพเท่าไหร่คนที่ป่วยจนโคมา่าคนที่ป่วยจนกลายเป็นผักเนี่ยก็มีอาการหายใจนะแต่ว่าก็มีความรู้สึกตัวหรือมีก็น้อยมากแต่ว่าการขาดความรู้สึกตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโคมา่าหรือผักหรือว่าสลบแน่ น, นิ่งนะแม้จะเดินเหิน ไปไหนมาไหนพูดคุยกับใครได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นชีวิตที่ขาดความรู้สึกตัวก็ได้หรือว่าไม่รู้เนือรู้ตัวแม้ว่าจะพูดรู้เรื่องฟังรู้เรื่องทำอะไรได้แต่ว่าอาจจะขาดความรู้สึกตัวก็ได้และพอไม่รู้สึกตัวแล้วนี่ก็ สามารถที่จะสร้างปัญหาทำบาปทำชั่วก่อปัญหากับผู้คนก็ได้ก็กลาย่าเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเป็นชีวิตที่ไม่เกื้อกูลต่อผู้คนความรู้สึกตัวนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีงาม ถ้า ม, มีความสึกตัวเสร็จแล้วนี่สิ่งที่พูดไปสิ่งที่ทำไปก็อาจจะสร้างปัญหาคนที่กำลังกระโดดโลดเต้นลิงโลดด้วยความดีใจส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกขณะที่ทำอย่างนั้นนะแลวคนที่เศร้าโศกเสียใจ ร้องไห้คร่ำครวญในตอนนั้นเขาไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่หรือว่าคนที่กำลังทะเลาะบบาแยงต่อว่าด่าทอคนนั้นคนนี้เนี่ยตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวนะเพราะว่าถูกครอบ ง, ง, งำด้วยความหลงครอบงำด้วยความดีใจจนลืมเนื้อลืมตัว หรือว่าเศร้าโศกจนหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าความโกรธรู้ว่าจะด่ายังไ ง, งให้เจ็บแสบนะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เราเค่อรู้สึกตัวเลยนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยนะที่จะทําให้คนเราเนี่ยประคองชีวิตหรือว่ารักษาชีวิต ให้เป็นไปทางที่ถูกต้องเป็นปกติแล้วก็ผาสุขจะทำดีได้เนี่ยไม่ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานนะตั้งใจจะทำความดีแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันขาดความรู้สึกตัวถูกความโลภถูกตัณหาราคะครอบงมเบี่ยงเบนให้ทำสิ่งตรงข้าม แล้วก็พอมารู้เนรู้ตัวเขาก็เสียใจไม่น่าเลยนะพอเสียใจก็ลืมตัวไปอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าถูกความเศร้าโศกเสียใจมันครอบงำบางคนเสียใจหนักถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยนะเสียใจเพราะรู้สึกผิดที่ได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรในตอนทำ ก็ไม่รู้เนรู้ตัวพอรู้ตัวเขาก็เสียใจพอเสียใจเขา้ามันทนไม่ไหวมึงฆ่าตัวตายเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ฆ่าลูกนะเพราะเพราะว่าบรนดานโทสากโกดแคนลูกมากอุตส่าห์ให้มรดกในแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกแทนที่ลูกจะเอาใจใส่เลี้ยงดูพ่อในยามเจ็บป่วยนะกับบายเบียง มาหาว่าพ่อนี่มารบกวนเด็ดบังลูกนะพ่อนี่แค้นมากลืมตัวนะยิงลูกตายพ่อยิงเสร็จค่อยมารู้รู้ตัวว่าทำอะไรแต่มารู้ตัวประเดี๋ยวเดียวนะทักพักก็รู้สึกเสียใจอย่างรุนแรงเพราะได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหาหัน พอแต่ก่อนเนี่ยสอนลูกให้มีศีลห้าบดไม่ให้ตบนะยุงก็ไม่ให้ไปทำร้ายตัวเองก็ทำอย่างนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอโกรธเกิดบันดาลโทษสามก็ลืมตัวพอค่าใสร็จก็มาค่อยรู้เนื้อรู้ตัว ว่าทําอะไรลงไปแล้วก็ถลําจมเข้าไปในความรู้สึกผิดเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งพอจมอยู่ความรู้สึกผิดเข้ามันก็ทุกทรมานมากไม่รู้จะสู้หน้าผู้คนได้อย่างไรคนะ่าลูกของตัวก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายอันนี้ก็เพราะขาดความรู้เรู้ตัวนะ แม้ว่าตั้งใจจะทาความดีอยากจะมีชีวิตที่ถูกศีลถูกธรรมแต่ว่าพอไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวเข้ามันก็เลยทำสิ่งที่ผิดพลาดจะทำดีได้นี่มันต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานเลยนะจึงจะได้ใจจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างบางคนนะ อยากจทำบุญที่วัดอยากจะถวายปัจจัยให้หลวงพ่อแต่แว่าก็มีคนที่มาถวายก่อนหน้านั้นพ่อหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือมากคนที่ไปถวายก่อนถวายเสร็จก็ไม่ได้แทนที่จะรีบออกมาให้ตัวยองได้ถวาย เป็นลาดับถัดไปก็กลับพูดคุยคุยกับหลวงพ่อถามโ น, โน่นถามนี่บางทีก็อวดว่าตัวเองนี่ไปทําบุญที่โน่นที่นี่มาให้คนที่รอยอยู่เนี่ยเกิดหงุดหงิดขึ้นมานะอาจารย์นึกด่านในใจวนะ่าทำไมไม่รีบถวายให้ เ, เสร็จแล้วก็ไปไปซะฉันจะได้ถวายบ้าง ให้ใจที่บ่นก่นด่าอยู่ในใจเนี่ยนะมันกลายเป็นบาปเป็นนะมันไม่มาไม่เกิดเป็นบุญนะจิตเศร้าหมองทั้งที่ไปตั้งใจจะไปทําบุญแท้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเกิดความหงุดหงิดมามาแทนที่นะแทนที่จะได้ทําบุญก็เลยเกิดความเศร้าหมองคุนมัว หรือบางทีเกิดบาปขึ้นมาเพราะหลุดปากด่าเขาว่าเขาว่าคุยแล้วกันมากมายไ ป, ไปๆแล้วทีได้แล้วฉันจะได้ทำบุญม้างหาวรู้ไหมว่าที่ตัวองพูดไปนี่มันมันสวนทางกับความตั้งใจที่จะทำบุญของตัวหรือบางทีฟังธรรมอยู่นะกำลังฟังธรรมใจก็สงบปรากฏว่าคนข้างๆคุยกัน เกิดความงุรธงีดขึ้นมากดด่าเขาในใจหรือบางทีก็ตวาดด่าเขานะหรือถึงแม้ไม่ทําไม่พูดแต่ว่าจิตใจก็เศร้าหมองฟังทาแท้แต่ว่าใจไม่เป็นบุญซะเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะปล่อยให้ความโกรธครอบงำหรือบางทีเผอพูดออกไปนะมันก็ก็ทาให้ สิ่งที่ตัวเองตั้งใจว่าเนี่ยจะรักษาศีลให้ดีมีสัมมาวาจามก็เลยทำไม่ได้กลายเป็นทำบาปไปซะแม้จะไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าใจไม่เป็นบุญแล้วนี่เพราะขาดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่มันเป็นพื้นฐานนะของการทำความดี แล้วก็เป็นพื้นฐานของความสุขด้วยเพราะถ้าไม่มีความสุกตัวนี่อารมณ์อกุศลก็ครอบงำแล้วก็ชักนำให้จิตใจตกต่ำายําแย่จมอยู่ในความเศร้าถูกความโกรธเผาลนใจให้ความสุขที่ควรจะได้ควรจะได้รับมันก็หายไปะจะว่าไปแล้วเนี่ย นะความรู้สึกตัวนึงเจา ก, การจึดกายเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะคนบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลามีลูกหลานมามากราบมาขอพรเนี่ยคนท่าคนแก่ก็บอกว่าเนี่ยให้รู้เนรู้ตัวนะให้พรสั้นๆเนี่ยเท่า น, นี้แหละให้รู้เนืรู้ตัวนะไม่ได้ให้พรว่าขอให้ร่ำรวยนะขอให้มีขอให้เป็นเจ้าคนนายคน มีอํานาจวาสนาถ้าคนถ้าคนแก่ที่เขาที่มีธรรมเนี่ยก็จะให้พอไปรู้เนรู้ตัวนะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ตัวเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วละ่ะเท่าที่ปุถุชนคนหนึ่งจะพึงมีเป็นของมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองนะหรือว่าการ มีอานาจเป็นเจ้าคนในคนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีไปก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขเพอเปเป็นเครื่องล่อหลอกชักชวนให้ทําชั่วทําชั่วเพื่อจะได้มีสิ่งนั้นเยอะๆหรือเพื่อปกป้องมันไม่ให้ใครมาแย่งชิงเอาไปแต่ถ้ามีความสึกตัวแล้วเนี่ยนะความดีก็ตามความสุขก็ตามก็เกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าถนะืเป็นแก้วมันดีเลยนะเป็นแก้วมันดีที่มีค่ามากที่คนโบราณนี่เขาก็าตระหนักเลยนะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยจะรวยหรือจะจนก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคือความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวทําแล้วก็ทําด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยด้ความรู้ตัวจะเป็นสิ่งที่นับวั น, นจะสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ทุกวันนี้มก็การเป็นสิ่งที่ค่อยๆหายไปหดหายไปจากชีวิตของผู้คนทั่วนี้นความรู้นี่มีเยอะนะทุกวันนี้นี่ความรู้นี่มันมีมากมายแล้วก็เข้าถึงเข้าหาได้ง่ายมากเราสามารถที่จะเข้าถึงความรู้นาน า, นาชนิดได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะ เฉพาะใน y o u t u เนี่ยนะมันก็มีคลิปเกี่ยวกับความรู้ต่างๆความรู้ในการเย็บผ้าความรู้ในการทำอาหารนานาชนิดอยากจะรู้ตำราสูตรทำอาหารเกาหลีหรือว่าอาหารอินโดนีเซียไม่ต้องไปหาที่ไหนไปหาจาก YouTube เนี่ยมันมีคนทำไว้เยอะแยะไปหมดเลย นะความรู้ทำระเบิดเนี่ก็หาได้นะแบบยูทูบหรือถ้าคนควาดีๆเนี่ยความรู้ทำระเบิดปรมาณูแบบหยาบๆเนี่ยหรืออ า, อาวุธ่วัชชะภาพก็ก็หาได้เหมือนกันนะแล้วพวกก่อการร้ายเนี่เขาก็อาศัยยูทูบเนี่ยนะในการเข้าถึงความรู้ทักษะต่างๆ ความรู้มีเยอะนะบา น, เ ป, นเป็นดอกเห็ดเลยนะแต่ว่าความรู้ตัวนีนะ่มันกลับลดน้อยลงไปเรื่อยๆทั้งคนไปสนใจความรู้นอกตัวซะเยอะจนกระทั่งลืมความรู้สึกตัวไปที่จริงแม้กระทั่งอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยนะแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมจานวนไม่น้อยเลยนะ ก็มองข้ามนะความรู้สึกตัวเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกนี่ฉันสนใจวิปัสสนาเนี่ยขนขวายทำวิปัสสนาแล้วบางทีก็อวดคนนั้นคนนี้ว่าเนี่ยฉันไปวิปัสสนามาแต่ว่ากลับมองข้ามการทำความรู้สึกตัวเพราะในความเข้าใจของนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยวิปัสสนานี่มัน มันเป็นการปฏิบัติทำขั้นสูงนะแล้วก็มันดูเท่ด้วยนะไปบอกใครว่าเนี่ยฉันไปทำวิปัสสนามาที่นั่นที่นี่มันมันรู้สึกรู้สึกว่าหัวจิตใจพองโตหัวใจพองโตแต่มองห้ามความรู้สึกตัวไทั้งที่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันพื้นฐานเลยนะของการเปิดใจให้ มีปัญญาหรือจะว่าความรู้สึกตัวนีเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาก็ได้ไปฝึกวิปัสสนามานะแต่ว่าไปหลงเพลินในความสงบหรือว่าเกิดความหลงตัวลืมตัวว่าในฉนันเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนาอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รู้สึกตัวแล้วล่วละลืมตัวปล่อยให้ความหลงตัวมันครอบงำให้ความรู้สึกตัวความหลงตัวเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กันเลยนะ ถ้าหลงตัวเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันไม่มีความสึกตัวแล้วบางทีทำวิปัสสนาไปทำไปทำไปนี่มันไม่ใช่แค่ความหลงตัวหรือมานะทิฐิฝังลกักลึกเท่านั้นนะบางทีมันเกิดความรู้สึกรังเกียจเดียดชั้นคนนั้นคนนี้ที่ปฏิบัติต่างจากตัว หรือบางทีก็ปล่อยให้ความเป็นแค่ตัวครอบงำอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าเนี่ยขาดความรู้สึกตัวไปแล้วล่ะงั้นก่อนที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนาหรือว่าคิดจะจะไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นหรือว่าให้รู้จักสำเผังความรู้สึกตัว จกนกระทั่งมันเป็นอันหนึ่งเดียวกับใจของเราเนี่จะดีกว่าเพราะคนนี่มีความสึกตัวเนี่ยเขาจะก็จะมีความปกติสุขเขาจะมนะีความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลเขาจะไม่ไปไปพูดจาข่มคนนั้นคนนี้เพราะเขารู้ว่าเพราะเขาไม่ปล่อยให้ความหลงตัวเนี่ยเข้ามาครอบงําได้ ที่ิงควาสึกตัวเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากอะไรนะเพราะว่ามันก็มีกับเราทุกคนอยู่แล้วล่ะนะแต่ไม่ได้ก็ตามที่เราลืมเนื้อลืมตัวเช่นส่งจิตออกนอกจนกระทั่งใจมันไปไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดจากการกระทบกับสิ่งภายนอกเนี่ย ตอนนั้นแหละความรู้สึกตัวก็หายไปคือการที่เราปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงําจนลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละคือตอนที่ความรู้สึกตัวมันหายไปคนเราส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกตัวกันแต่ว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องมันหลุดมันหายแล้วก็เลยเปิดช่องให้อารมณ์ที่เป็น อ, อ ก, กุศลหรือความทุกข์ต่างๆเข้ามาครอบงําแต่ถ้าว่าเรานะรู้จักพาใจหรือรักษาใจให้อยู่กันเนื้อกันตัว ความสึกตัวก็จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่การที่ใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้น ะ, ะมันก็ต้องใสยสิ่งหนึ่งนะเป็นตัวช่วยนะซึ่งนั้นคือสติเพราะว่าเวลาใจมันไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดจากการกระทบหรือว่าทรงจิตออกนอกเนี่ยถ้ามีสติเมื่อไหร่นะเออมันก็เห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่กำลังครอบงาใจหรือว่า เกิดได้สติขึ้นมาไม่ปล่อยใจให้ไหลลอยนะออกไปข้างนอกรวมทั้งไม่ปล่อยใจให้ไหลไปจมอยู่กับอดีตลอยไปอยู่กับอนาคตพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เกิดความสึกตัวขึ้นมาที่ทำงันได้เพราะว่ามีสตินะสติมันทำให้เรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น และช่วยทำให้เกิดความรู้ตัวทำให้ไม่ลืมตัวเมื่อใดก็ตามที่เราขาดความรู้สึกตัวเนี่ยพอตอนนั้นเรากาลังหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์หรือว่าไหลไปอยู่กับอดีตจมอยู่กับอนาคตนสิ่งที่ทําให้ใจเนี่ย ม, มันหลุดจากความคิดหลุดจากลุ่มอารมณ์ หลุจอดีตหลุจากอนาคตเนี่ยกลมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้คือสติเราสร้างความรู้สึกตัวได้โดยการที่เราทําอะไรนะใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวนะเริ่มต้นโดยการที่เวลากายทําอะไรนะก็รู้สึกนะเริ่มต้นด้วยการรู้กายก่อน วันวันหนึ่งเราก็มีกิจวัตรหลายอย่างนะที่ใช้กายเนี่ยเป็นฐานอนาบน้ำถูฟันนะล้างหน้าซักผ้าเจ็บที่นอนกวาดบ้านทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะปล่อยใจลอยกายทำไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนก็เพียงแค่ดึงใจกลับมาอยู่กับ กายรู้ว่ากายกำลังทําอะไรการรู้ว่ากายทําอะไรนี้เรียกว่ารู้สึกนะหลวงพ่อเฉียนใชจว่ารู้สึกรู้สึกไม่ใช่ไปเพ่งนะเรื่องถึงกับไปเพ่งไปเพ่งที่มือไปเพ่งที่เท้าแคใ่ใจมันอยู่กับตัวหรือว่ามีสติอยู่กับการทําสิ่งนั้นสิ่งที่จะบอกหรือแสดงว่าเรา ตอนนั้นเนี่ยกำลังรู้เนืรู้ตัวอยู่ก็คือว่าทําแล้วมันรู้สึกนะมันรู้สึกที่รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวอาริ่มตอนที่ตรงนี้เอากายเป็นเครื่องอยู่นะเป็นวิหารธรรมเวลาทําอะไรนะเวลาทําอะไรที่ใช้กายซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสติมาช่วยกํากับใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าพอทํำไปสักพักใจมันก็ลอยไหลไปตามความคิด ก็มีสติเห็นความคิดนะพาใจหลุดจากความคิดกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ตอนที่เห็นความคิดเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตหรือว่ารู้ว่าใจกำลังทำอะไรอยู่บางทีท่า้ก็ใช้คำว่ารู้ใจเคลื่อนไหวนะตอนใช้กายทำอะไรก็เห็นกายเคลื่อนไหว เวลาใจมันเผลอคิดนึกไปอะไรก็รู้รู้ใจนึกคิดอะไรที่เห็นกายเกิดมาอะไรที่รู้ใจคิดนึกนะก็คือสติสติมันทําให้ใจเนี่ยไม่ไปหลงหลุดไปจมอยู่ความคิดหรือว่าอารมณ์แต่ว่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยวิธีการทําความสึกตัวเนี่ยมันก็ก็ทํากันนะแบบเนี้โดยที่ไม่เป็นต้องมา ไปเข้าคอสต์นังไปที่วัดทำที่บ้านทำได้ทุกเวลาเรียกว่าทำความสึกตัวอย่างที่พระเจ้าตรัสเนี่ยเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังกินดื่มเคี้ยวลิ้มสบายบาดผ่าสังกาติคลองจีวร อ, อ่ะก็รู้สึกตัวอุจจรปัสสาวะก็รู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกตัวมันเป็นสิ่งที่เราทําได้เลยเดี๋ยวนี้ถ้าทาได้ทุกวัน มันดูมืนง่ายๆนะแต่ว่ามันต้องทํำบ่อยๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสึกตัวนะเออเราก็มีของดีนะเหมือนกับมีแก้วมันีที่ล้ําค่าเวลาไปไหนมาไหนเนะี่ยมันจะมีโยมเนะี่ยมักจะถามนะหลวงพ่อมีของดีไหมมีของดีไหยเขาคงหมายถึงพักเครื่องหรือยันนะต่อมาก็ปฏิเสธไปนะแต่ที่จริงควร น่าจะบอกเขาว่าเนี่ยเข า, ามีของดีอยู่แล้วของดีที่เขามีกับเนื้อกับตัวนะคือคือความรู้สึกตัวเพียงแต่ว่ามันกระพองกระแพ่งรักษาความรู้สึกตัวไว้แล้วก็ทําให้ต่อเนื่องอันนั่นแหละคือของดีที่มีค่าดีที่มันจะช่วยรักษากายและใจของเขาได้เอาคำนี้พุทโนี้นะเอากครับ